วันนี้เป็นวันธรรมสวณนะวันฟังธรรมนะขันสิบห้าคำธรรมบุติก็มีการผัดเปลี่ยนการเก็บอารมณ์เมืนะม่อบรรพสิบห้าคำคราวที่แล้วก็ <c oughs> มีพระเราะอบุโสเขาเก็บอารมณ์ก่อนเพ ว, วันนี้เป็นวันออกอารมณ์ แล้วพุนี้ก็เปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปทุกๆสิบห้าวันที่แรกว่ากำหนดเจ็ดวันทุกสิบวันน้อยไปก็เลยสิบห้าวันแต่ก็ดูเป็นกรณีไปถ้าคนไหนเจ็บเจ็ดวันแล้วมีปัญหาก็ให้ออกก่อนคนไหนเก็บแล้วได้อารมณ์ว่าทำต่อเพราะในรรษานี้เป็นส่วนสำคัญเพราะว่ามี ผู้ที่ตั้งใจหลายคนมาศึกษา <c oughs> ในขณะเดียวกันแล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นเช่นการก่อสร้างการปรับปรุงที่ลานทาวัดใหม่การศึกษาเรื่องการปฏิบัติอันนั้นก็อยากจะให้มีการสับเปลี่ยนกันแต่ว่าในเรื่องรายละเอียดเราก็ไว้แจ้งกันตอนหลัง ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอารมณ์ปฏิบัติว่าการเก็บอารมณ์นั้นจะต้องมีความเข้าใจระดับหนึ่งอย่างน้อยก็เข้าใจอารมณ์รูปนามจะไปเก็บอารมณ์ถึงจะได้ผลดีถ้าไม่เข้าใจอารมณ์รูปนามไปเก็บอารมณ์ก็จะมีปัญหาเรื่องนิวรณ์นิวรณ์ตัวต่างๆหรือว่าจะเป็นการมาฉันทะความขี้เกียจความขี้ค้านความรักความใคร่ความอยาก มีอยากดีอยากเป็นพวกนี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวสําคัญกันแรกนิวรณ์ตัวที่สองที่จะลบกลก่วนเราเสมอก็คือเมื่อทําความเพียรไม่ได้อย่างใจก็หงุดหงิดปฏิฆะโดยเฉพาะที่ ว, วัดธรรมของเรามีสิ่งที่จะปฏิฆะหลายหลายอย่างเพราะความไม่สะดวกไม่สะดวกเรื่งเสนาส น, นะเรื่องปัจจัยสี่ที่เราเคยได้เคยมีเคยเป็นเคยสะดวก จะมาอยู่ที่ไม่สะดวกเดี๋ยวฝนรัวเดี๋ยวมดเข้าเดี๋ยวยุงเข้าเดี๋ยวมแมลงแมงมดเข้าบรบกวนก็เกิดปฏิฆาหุดหงิดบ้างนี่ก็เป็นตัวอุปกรณ์หรือตัวอุปสรรคได้ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ให้ได้กําหนดเวทนาต่างๆ ท, ท, ท, ที่เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติยังไม่ได้อารมณ์ก็จะเป็นอุปสรรค ทำให้หุดหงิดติดอารมณ์นิวรณตัวที่สามนี่ก็สำคัญไม่น้อยส่วนใหญ่จะเจอกันก่อนคือความม่วงหง่อนนอนนะความไม่ก็ปรี้ก็เปล่าความสลืมซาลือซึ่งก็มีสาเหตุหลายๆอย่างตัวนี้สาเหตุที่เราเคยทำสมาธิมาก่อนเมื่อมาทำวิธีตื่นแล้วไม่คุ้นจิตมันก็หนัก นะหรือบางทีเรามีโรคประจำตัวก็ต้องกินอยู่กินยาเข้าไปรบกวนระบบต่างๆในร่างกายหรือเรานอนไม่สนิทกลางคืนตอนกลางวันก็ ง, ง่วนงะหลายสาเหตุหรือทานข้าวอาหารที่ผิดทตาของตัวเองหรือทานมากไปก็เป็นสาเหตุให้เกิดยีวอนตัวนี้ได้เหมือนกันนะ ว, วันที่สี่นี่ถ้าออกจากงวงได้มันก็จะไปตัวคิดตัวปรุงแต่งปุุงซ่านฝันเฟื่อเรื่องราวต่างๆอดีตบางอนาคตมันจะเข้ามาตลอดที่นี่ถ้าหาว่าเราเข้าใจรูปนามแล้วก็สามารถเปลี่ยนไอ้ตัวคิดให้เป็นตัวรู้ได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจรูปนามก็ยังเปลี่ยนตัวคิดให้เป็นตัวรู้ไม่ได้ตัวคิดก็จะรบกวนเรา ดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราจึงเน้นนะเรื่องอารมณ์รูปนามให้ชัดไว้เสมอแลนะจนสุดท้ายก็คือตัวลังเลสงสัยตั้งแต่ระดับธรรมดาระดับกลางระดับสูงนะตัวหลังเลสงสัยมีสองสาระดับด้วยกันรนะะดับเบื้องต้นก็สงสัยในะเรื่องวิธีการปฏิบัติมันจะเป็นสมาธิอย่างไรมันจะได้ความสง อ, อย่างไรมันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ มันจะได้สมาธิตรงไหนก็สงสัยระดับกลางก็สงสัยเรื่องของผลของมันว่ามันจะทำให้เรากำจัดตัดกิเลสแบบไห น, นทำให้เราเกิดขัดเกลาตรงไห น, นเพราะจิตไม่สงบสงสัยความสงสัยระดับสูงก็คือสงสัยเรื่องมรรคผลทีาน สงสัยเรื่องลกนีโลกหน้าสงสยัยเรื่องอนาคตของตัวเองว่าจะลงเอยแบบไหนจะไปอย่างไรก็เป็นเป็นลำดับขึ้นไปซึ่งเราก็จะเจอทุกระดับแหละแล้วแต่ตัวไหนมันจะมาก่อนเพราะนั้นการเก็บอารมณ์นี้ต้องเผชิญเวสักสี่ห้าอย่างนี้เป็นันดับแรกก็เรียกว่าลูกน้องของมานหรือเสนามาร ตัวเสนามานตัวนิวรณทั้งหา้าเนี่ยเป็นเสนาแมนแต่ตัวพยาแมนก็มีอีกต่างหากตัวพยาแมนดังจะเข้าส่งเสนา ม, มาแล้วนี่เสนาแมนนี่อารมณ์รูปนามเนี่ยแก้ไขได้แต่พยาแมนนี่อารมณ์รูปนามนี่แก้ไขไม่ได้เพราะกําลังไม่พอต้องไปอารมณ์ประมัด น, น, นั้นเมื่อคนไหนสัมผสัสอารมณ์ประมัดแล้วเสนามานก็จะมาละทีนี้เฮยพยาแมน เช็นกิเลสสมานขันธ์มารเทวบุตรมารอภิสังขารมารมจจุมานพวกนี้ยมากันยกกองทัพมาเลยทีเดียวนะทีถ้าสมมติว่าเราจเจริญสติที่สัมผัสรูปนามยังไม่ได้หรือสัมผัสรูปนามยังไม่ชัดเนี่ยแค่เสนาเราเราก็เอาชนะยากละแต่ถ้าสัมผัสอารมณ์รูปนามชัดขึ้นตามลําดับ เสนามมนเหล่านี้ก็พอฟัดพอเหวีย่ยงพอสู้กันนะที่จะทำยังไงให้อารมณ์รูปนามชัดเนี่ยตัวนี้สำคัญเพราะมันเป็นประตูบ้านอืเป็นกุญแจหลักกว่าได้ดังนั้นเบื้องต้นนี้ต้องเอาใจใส่จุดนี้แหละโดยเฉพาะในวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยอารมณ์รูปนามปรากฏแบบไหนนะอันนี้ต้องเข้าใจกันอนะันดับแรกปรากฏคือว่ารูป ก็เป็นปรมัดน้ำก็เป็นาคามจริงรูปนเป็นสมมติน้ำมันเป็นปรมัติแต่ในเมื่อเราสามารถที่จะควบคุมรูปได้รูปก็พอเป็นปรมัติไม่ด้วยจิตจะได้สิกรูปนิพานเป็นปรมัิถ้าหากว่าตัวน้ำเัวนั้นมันไปพัฒนาถูกต้องตามลำดับ นั่นจะทำยังไงให้อารมณ์รูปนามเนี่ยสัมพันธ์กันหมายถึงว่าตัวสติสมาธิปัญญาที่เข้าไปรู้อาการทั้งสองอย่างนี้โดยที่ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกนะแต่ในเมื่อรูปนามของเราอารมณ์ตัวรู้สึกตัวของเราไม่ชัดอวิว น, นแต่ละตัวเข้าาแทรกหรือว่าจะเป็น กามชันทะพยาบาทีนมิทะอุทจะจักและวิชิกิฉาตัวใดดุดนลข้อแทรกมันมีตัวที่สามขึ้นมาตามภาษายชาวโลกเรื่อมือที่สามไอ้มือที่สามนี่สำคัญนะเพราะปัญหามันเกิดดิถ้าคุณสองคนไม่มีปัญหาแล้วแต่ไอคนที่สามเข้ามานี่จะเป็นตัวแปรที่สําคัญนั้นรูปนามแล้วก็นามรูปนี่ไอตัวที่สามนี่เขาเรียกว่านามรูป ตัวรูปนามไม่มีปัญหานะก็คือกายกับความรู้สึกเท่านั้นเองกายกับความรู้สึกตัวหรือรูปนามแต่พอนามรูปเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่สําคัญนํารูปคืออะไรน้ํารูปคือความคิด่เองแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นความคิดที่เป็นส่วนที่จะเกิดปัญหาโดยตรงหรอกแต่มันเป็นเหตุนะ นำรูปปรากฏเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันเมื่อมีอารมณ์มากระทบหรือเมื่อมีอายตนะภายนอกมากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจสติสัมปชัญญะคือตัวนามที่จะเข้าไปรู้เท่าทันเนี่ยไม่ว่องไวไม่เข้มแข็งพ อ, อ มันรูปที่มากระทบก็เลยแปลเป็นเรื่องนะแปลเป็นเรื่องเป็นลาวแปลเป็นเหตุขึ้นมาแต่ถ้าสติสมรยะเราได้ได้ฝึกฝนต่อเนื่องถูกต้องมันพอกระทบปั๊บก็รู้ว่าเออมันเกิดแล้วความคิดมันเกิดแล้วก็ติดตามมันไปเรื่อยช่วงไหนพอจะจัดการได้ก็จัดการทันทีเหมือนกับตำรวจติดตามโจร ตอนแลกก็ติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ได้เพราะโจรมันก็มีอาวุธเหมือนกันถ้าไปติดตามแบบไม่ระวังระวังเดี๋ยวไอโจรเล่นงานเอาแต่เขาติดตามอย่างไม่ลดละช่วงไหนที่โจรเพลยก็ตำรวจเกาจัดการทันทีตัวสติสัมปชัญญะและปัญญาเป็นตัวตำรวจตัวนิวันเป็นตัวโจรนะทีนี้เมื่อมันรู้ว่านามรูปคือตัวคิดเริ่มก่อตัวแล้วเนี่ยมันก็สาเหตุก็คือ เจ้าของบ้านไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรจิตของเราไม่ไม่รู้สึกนั่นเองไม่รู้สึกว่ามีอะไรมากระทบไม่รู้ทันสิ่งที่มากระทบตาแทนที่จะมองแค่เป็นรูปนะต่มองเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายรูปสวยรูปไม่สวยรูปดีหรือไม่ดีรูปถูกรูปผิดไปออกไปอย่างนั้นก่อนตอนแรก พ อ, อไปอย่างนั้นปั๊บเนี่ยนามรูปมีที่ตั้งแล้วเ <c oughs> พราะอะไรเพราะถ้าหากว่ามีเราเป็นผู้ดูและมีรูปเป็นสิ่งที่ถูกดูเนี่ยนนเนี่ยอันเนียเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญเพราะนั้นผู้ดูเนี่ยมันไม่ใช่เราถ้าเมื่อตัวมีเราเป็นผู้ดูเมื่อไรเนี่ยมันก็เกิดผู้ถูกดูขึ้นมาแต่นั่นแหละมันแปลเป็นนามรูปได้อ่า เรากบบเขาทุกที่ถูกกระทบจะมีเราผู้กระทบมันก็คือจะเกิดนามารูปแต่ถ้าสมมติว่ามีรูปมากระทบตาเรารู้เฉยๆตัวรู้มันทำหน้าที่รู้เฉยๆเนี่ยนั้นตัวรู้ที่จะทำหน้าที่รู้เฉยๆหมายถึงตัวรู้เนี่ยต้องอยู่กับตัวเราตัวรูปเนี่ยถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนขึ้นไปนะ แต่ห้าสิบนี่มันมันชักเสี่ยงละที่จะกอ่อให้เกิดตัวเราตัวเขาขึ้นมาแต่ถ้าหาว่าเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยมันยังรู้เฉยๆนะอะไรมากระทบก็ได้ว่าที่ท่านใช้คาว่าสัตวารู้ะสัตว์เห็นนี่แหละจากนั้นที่เราทํานี้คือทําตัวสัตวานะอารมณ์รูปนามคือตัวสัตตวานั่นแหละคือรู้เฉยๆเห็นเฉยๆเห็นซื่อๆออรู้ซื่อๆ อ, อ่า นี่คือตัวที่ทำยากแต่ทำอาศัยทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆนะ ท, ทำต่อเนื่องเรายกมือร้อยครั้งมันรู้ซื่อซื้อสักห้าสิบครั้งก็ยังดีมันรู้ไม่ซื่อสี่ห้าสิบครั้งก็ก็เรียกว่าพอฟัดฟอวเวียงกันล้แต่เราเพิ่มตัวรู้สื่อซรู้ชื่อชนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจากห้าสิบหกสิบเจ็ดสบเจ็สิบขึ้นไปนี่ชักดีแล้วถ้าเกิดว่าตัว รู้ซื่อๆเฉยๆมันอ่อนต่ำต่ำกว่าห้าสิบลงมาสี่สบสสิบนี่ตัวนามรูปมันก็เกิดเป็นเงาแล้วเพราะตัวรู้ซื่อๆเฉยๆเนี่ยเหมือนตัวแสงสว่างชัดๆนะถ้าว่าเป็นรูปธรรมถ้าแสงสว่างชัดๆเนี่ยเงาก็บางๆถ้ามีสิีมาผ่านก็เป็นเงาวางบๆหรือบางแทแบไม่เงาไม่มีเงาเลยถ้าหากว่าหัวเราไปตรงหลอดไฟพอดเีเงาไม่ปรากฏ เพียงแต่หัวเรา <c oughs> เปลี่ยนจุดชุนกลางหลอดไฟเอาไปเงาก็ปรากฏบางๆถ้าไฟนั้นสว่างมากๆหรือบางทีอาจจะไม่ปรากฏชัดก็ได้เพราะนั้นตัวรู้สึกตัวซื่อๆเฉยๆมันเป็นแสงสว่างของสติสมัญญาและปัญญาเพราะนั้นจำเป็นที่เราจะกระตุ้นให้แสงสว่างนี้ชัดไว้เสมอแต่นี่การกระตุ้นให้แสงสว่างชัดเสมอเนี่ยมันจะต้องเข้าใจระหว่างตัวเพ่ง กับไม่เพ่งอีกนะถ้ามันชัดเป็นลักษณะเพ่งเนี่ยมันก็เป็นการกดอาการของจิตจิตถูกบังคับนะอย่างพวกนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยความรู้สึกชัดมากแต่ว่ามันเข้าไปสู่อาการเพ่งเดยไม่รู้ตัวนะตัวนี้คือตัวแปรที่สำคัญดังนั้นเราจะทำยังไงให้มันชัดแบบแบบสบายสบาย ส บ, สบายๆนี้เราเรียกว่าสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดไม่เพ่งจิตไปจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายแต่พยายามรู้ทั้งหมดรู้เท่าที่รู้จุดไหนหนักจุดไหนเบาจุดไหนร้อนจุดไหนเย็นจุดไหนตึงจุดไหนแข็งจุดไหนอ่อนจุดไหนเจ็บจุดไหนปวดรู้ไปทั่วๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะนี้มันจะไม่เพ่งเพราะจิตมันถูกกระจาย ให้กระจายแสงสว่างไปทั่วเรียก ว, ว่ารู้ตุกตัวทั่วพร้อมให้เข้าใจเสมอว่าความรู้สึกตัวนี่มันเป็นแสงสว่างของสติสมถทิปัญญาส่วนจะเข้มหรือไม่เข้มเนี่ยอยู่ที่ว่าตัวชัดหรือไม่ชัดถ้ามันเข้มเกินไปก็ไม่ดีมันกลายเป็นสมาธิแบบชานเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้เข้มแหมแสงแดดแต่ถ้ามันเข้มเกินไปเราก็ร้อนมากถ้าเรามีการเข้มโดยเฉพาะเช่นเอา เนวอลเลนนูนมาโฟกัสมันยิ่งเข้มเข้าไปอีกหรือเอาเซตทลไลต์หรือรสุลารเซลลมารวมก็ยิ่งร้อนจัดขึ้นไปอีกอันนี้เรียกว่าเป็นเพลงแล้วแต่แสงแดดโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่ถึงกับเผาไหม้แล้วมันก็สามารถรับได้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมือเหมือนกันมันก็รู้สึกหลงหลวมสบายนะแต่ถ้าเมื่อไ เราไปเพ่งปั๊บเนี่ยเหมือนเราไปรวมเอาความรู้สึกไปรวมอยู่จุดเดียวไปเพ่งที่เ้าวังเพ่งที่มือบางเพ่งที่ใจบ้างเนี่ยมันก็ลึมเป็นตัวเข้มเกินไปละนี่เรียกว่าเพ่ง <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันตัวที่ชัดที่รู้ตัวทั่วพร้อมถ้าสติเรายังไม่เข้มแข็งนะสัมชัญญาตัวนั้นก็จะดูดลวยไปสู่ตัวเพลินเหมือนกัน เพราะนั้นตัวสติจึงเข้มแข็งสามารถจะคุมให้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในขอบเขตของกายไม่เข้าไปสู่ตัวที่เป็นจิตมากเกินไปเห็นอาการทางกายนี่ให้ชัดทั่วถึงเนี่ยเร็วเราก็จิตสติก็ต้องควบคุมอาการรู้ดูทั่วพร้อมอยู่ในขอบเขตของของกายนะทีนี้เมื่อญาตนะทั้งหก ยตดยันทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตัวรู้ชัดเป็นพื้นฐานเมื่อมีอะไรมากระทบมันจะดับของมันเองเหมือนกับน้ําตรงไหนที่มันชุ่มโชคมากๆนี่นะไฟตกลงไปเนี่ยไฟมันมันไม่ลามมันไม่ลุกแต่ถ้าตรงนั้นเป็นน้ําไปเลยไฟตกไปมันก็ดับเองเหมือนกับถ้าความรู้สึกชัดนะแบบถูกต้องนะ สิ่งที่มากระทบรูปเสียงจินโดยสัมผัสเนี่ยมันมากระทบบันดับของมันเองเหมือนกับไฟตกน้ำามนก็ทานไฟสเก็ตไฟตกน้ำมันดับของมันเองแต่ในกรณีที่มันเป็นเพ่งและเป็นพื้นเนี่ยเหมือนไฟมันตกไปถูกเชือ้อที่แห้งหรือดิบแล้วแต่ดีกรีของเราเพ่งมากเพ่งน้อยนะถ้าหากว่าพืนมากหรือพืินน้อย เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจะต้องอพิจารณาสังเกตศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีใครหรอกที่จะลงมือทำแล้วมันถูกหมดทันทีไม่มีมีแต่ว่าศึกษาด้วยตัวเองถูกบ้างผิดบ้างาช่วงไหนที่มันถูกมากมันก็เบาสบายตามลาดับช่วงไหนมันผิดมันก็จะหนักหน่วงทวงทับไม่สนุกไม่สบายนั่นมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว หน้าที่ของเราก็คือต้องเจริญมักคือพยายามแก้ไขปรับอาการนั้นๆบ่อยๆโฟกัสจูนบ่อยๆไอ้การจูนบ่อยๆโฟกัสบ่อยๆนี่เองเรียกมักนี่ครับมักต้องทำให้เจริญทำให้มากปรับให้มากแก้ไขให้มากตัวไหนแก้ไขตกมันก็เป็นนิโรธไปตัวไหนแก้ไขยังไม่ตกมันก็ยังเป็นสมุทัยอยู่นะ มันก็จะมีสองตัวเนี่ยอันไหนที่มันถูกมันกลายเป็นนิโรธอันไหนที่ยังไม่ถูกมันก็เป็นสมูทยัยสลับกันอยู่อย่างนั้นระหว่างสองตัวเนี่ยเพราะนิโรธเป็นผลของมรรคสมูทยัยนิโรธมรรคเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นเหตุของนิโรธสมูทัยเป็นเหตุของทุกทุกสมูทัยนิโรธเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติถูกมันจะลงในสูตรของอริยสัจทันทีนะ แล้วผลมันก็ตามมานังนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่คิดถึงเรื่องสูตรเหล่านี้หล้วให้จากความรู้สึกในปัจจุบันแบบสบายๆแค่นี้พอแต่ที่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องปริยัติเพื่อจะเห็นว่าหลักที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นหลักของอริยสี่มรรคมีองค์แปดโดยเนื้อแท้เลยแต่ว่าถ้าเรามาอธิบายสําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นทา้งปริยัติปฏิบัติอาจจะสับสน แต่คนที่มีพื้นปริยัติปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วก็จะสงเคราะห์สมดุลกันได้ชัดเจนขึ้นนะดังนั้นสําหรับคนที่ยังประสบการณ์ น, น้อยเรื่องนี้ก็พยายามจับความรู้สึกในปัจจุบันในรูปในนามแค่นั้นเองจับไปเรื่อยๆดูว่ามันเข้าไปข้างไหนมากเข้าไปข้างเพลินมากหรือเข้าไปนางเพ่งมากนะดูตรงนั้นดูว่าถ้ามันเพลินมากหมายความว่า จิตมันออกจากกายถ้ามันเพ่งมากจิตมันรวมในกายในจุดใดจุดหนึ่งชัดเกินไปแต่ถ้าหากว่าจิตรู้ตัวทั่วพร้อมไปกับสัมปชัญญะตั้งแต่หัวจุดเท้าชัดเสมอโดยไม่เพง่งแบบหลงๆตัวนี้ก็จะเป็นสัมมาสติสมมาส ม, มาธิก็เกิดขึ้นโดยองค์มรรคของมันันั้นตัวสัมปชัญญะจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญทีเดียว เพราะว่าตัวสัมปชัญญะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะเป็นเหตุก้เพราะนั้นตัวสัมปชัญญะถ้าว่าโดยองค์ธรรมแล้วก็คือตัวสมาธินั่นเอง <c oughs> นะท่งนั้นเวลาเราเจริญสติอย่าลืมเจริญสัมปชัญญะไปด้วยถ้าเจริญสติที่ไม่มีสัมปชัญญะมันจะใกล้เข้าไปสู่การเพง่งติดไปเรื่องฌานเรื่องนิมิตเรื่องสีเรื่องแสงเรื่องไปทางนูน้นออกไปทางนูน้น แต่ถ้าหากว่ามีตัวสมัมพัสกํากกับอยู่มันจะเข้าสู่สมาสมธิคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมและความตั้งมั่นของจิตก็อยู่ในรูปในนามและตัวปัญญาก็จะไปรู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบของมันเองนะทั้งนั้นเวลาปฏิบัติเราจึงต้องสำรวจตรวจสอบทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ระดับหนึ่งในเรื่องของรูปนามถ้าหากว่าเราผิดพลาดตนะั้งแต่ต้นนะต่อไปมันก็พลาดไปเรื่อย การปฏิบัติก็ไม่เข้มแข็งไม่คมชัดแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกท่านต้นถูกตั้งแต่ต้นนะการปฏิบั ต, ติต่อไปมันจะเข้มแข็งมันจะคมชัดสามารถกําจัดตัดอะไรได้รวดเร็วปัญหาก็ไม่ตามมานะนั้นเองเบื้องต้นนี่สําคัญพยายามปรับให้มันถูกต้องตามตามหลักไม่ว่าหลักปริยัติปฏิบัติปรับให้มันถูกต้องไว้ก่อนอย่ากลัวเสียเวลา ความถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของพุทธธรรมไม่ได้เรื่องมากเรื่องน้อยไม่ได้ทำมากทำน้อยไม่ใช้เวลามากใช้เวลาน้อยไม่อยู่ที่ว่าความเข้าใจถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นองค์เป็นเรื่องสำคัญถึงเน้นอยู่เสมอเพราะว่าเรามักจะมองข้ามจาุดนี้นะเราก็เลยไปเน้นองค์อื่นนั้นเวลาปฏิบัติหรือเป็นนักปฏิบัติโดย มีประสบการณ์แล้วเนี่ยอารมณ์ปฏิบัติมันสามารถเกิดได้ทุกทุกอิเดียบทไม่ใช่รอให้เก็บอารมณ์ซะก่อนความเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงมันก็มีอยู่ตลอดเวลาความพอใจไม่พอใจมันก็มีให้เห็นตลอดเวลาความคิดหรือไม่คิดก็มีให้เห็นตลอดเวลาการปรุงแต่งแล้วไม่ปรุงแต่งก็มีเห็นตลอดเวลาการรู้ตัวหรือไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลานั่นคือสนามปฏิบัติ ถ้าเราไปรอดู ว, ว่าการเก็บอารมณ์เนี่ยมันไม่ทันการแล้วนะเพราะว่ามันน้อยเกินไปเพราะอะไรเพราะความคิดกิเลสเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาเพราะไอ้โดยที่จะเข้าไปปรับมันก็ต้องทําให้มันตลอดเวลามันถึงจะไปสู้กันได้ไอ้กิเลสมันเกิดทุกๆุเวลาที่เราเผลอเราก็ทําตัวไม่เผลอเกิดขึ้นมันถึงจะทันกันแต่ถ้าหากว่าเรา เผลอเรื่อยๆและไม่พยายามที่จะรักษาตัวเผลอไม่พยายามที่จะทำความไม่เผลอเกิดขึ้นมันก็ไม่ทันกันที่นี้นะดัง น, นั้นเราจะเห็นว่าเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่จะอยู่ด้วยชีวิตที่ไม่ทุกข์มีชีวิตที่มีค่ามีความหมายนะดังนั้นก็จึงอยากจะให้ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นใหม่เสมอผิดพลาดตรงไหนเริ่มต้นใหม่เสมอ อไม่คี้พลาดง่วงไปแล้วทางต้นใหม่หาความไม่ง่วงให้เจอเอไม่กี้พลาดคิดไปแลว้วปรุงแต่งไปแล้วพยาพยามหาตัวที่ไม่คิดให้จเจอโอาไม่ขี้พลาดง่วงหรือว่าสงสัยไปแล้วก็หาตัวไม่สงสัยให้เจอเอาไม่กี้พลาดมันขี้เกียจไปแล้วหาตัวไม่ขี้เกียดให้เจ อ, อยู่เงี้ยไอ้ตัวมักมันจะอยู่แค่นี้แหละหนะเบื้องต้นนะ หาสิ่งทุกข์ไม่เจอเหมือนพระพุทธเจ้าท่านท่านได้สติท่านบอกว่าอ๋อเมื่อมันมีร้อนก็ต้องมีเย็นแก่ท่านได้ตรงนั้นเมื่อมีมืดก็ต้องมีสว่างแก้เมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์นี่แก้ท่านไม่ใช้คำว่าสุขนะไม่ใช่ว่ามีทุกข์เรามีสุขแก้ความสุขมันแก้ทุกข์ไม่ได้เพราะความสุขก็เป็นทุกข์อีกรูปแบบหนึง่งนะมันคนละขั้วเท่านั้นเองแต่สิ่งที่แก้ทุกข์ได้คือตัวไม่ทุกข์นั่นแหละแก้ทุกข์ได้คือตัวไม่ทุกข์ จากนั้นก็หาตัวไม่ทุกให้เจอสิ่งที่แก้ตัวไม่รู้ได้ก็คือตัวรู้นั่นแหละรู้สิ่งที่แก่อวิชชาได้ก็คือวิชานะนั้นการมารู้ในส่วนวิชาเบื้องต้นคือรู้สติสมัมปชัญญะสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นองค์ประกอบของวิชานะแล้วเราก็พยายามทำความเพียร ที่ว่าถึงเรื่องความเพียรก็ต้องเพียรให้ถูกนะถ้าเพียรไม่ถูกวิชารู้สึกตัวนี้ก็เกิดไม่ถูกเหมือนกันที่เพียรที่ถูกเพียรอย่างไรเพียรที่เป็นสมาวายามะเนี่ยนะหนึ่งก็ต้องมีความระมัดระวังอะไรมันเกิดขึ้นในกายในใจสังเกตเฝ้าดูนะอะไรมันเกิดขึ้นนะรู้รู้ทัน แต่ในกรณีสติสมัญาเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยความระมัดระวังไม่เข้มแข็งพอมันเกิดแล้วทําไงสมมติความคิดแป๊บมันเกิดเนี่ยต้องจัดการทันทีอ่าจัดการยังไงจัดการในที่ううไม่ใช่บังคับไปฆ่าไปเข็นไปอ่ากดไปทับมันนะจัดการในที่นี้คือส่งตัวรู้เข้าไป ท, ทันทีถ้าะความคิดเราล้วนมมาด้วยความไม่รู้ความเผลอส่งตัวเผลอเข้าไป ท, ทันทีไอ้ส่งตัวไม่เผลอส่งตัวรู้เข้าไปทันทะี คือคืออย่าไปปิดไปบงังไปกดไปทับมันสมมติตัวคิดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นนักสมถะก็คือไปกดไปบงังไปทับมันเลยไม่ต้องให้มันเกิดอันนี้คือเรื่องนักสมถะแปลงจิตทนันวะแต่พอ พ, อ, พ, อ, พอปฏิบัติพิปัสนาเนี่ยพอตัวคิดรู้ว่ามันมีคิดเกิดขึ้นปับ๊บสร้างตัวรู้ให้ชัดๆสร้างจังหวะให้ชัดชัดเดินจงกรมให้ชัดๆัดหรือจะทําอะไรทําให้ชัดไว้ก่อนไอ้ตัวรู้ชัดนั่นแหละมันจะไปจัดการกับตัวคิดเอง ไม่ใช่บังคับไม่ให้มันคิดนะไม่ต้องบังคับมันนะเพราะมันเกิดโดยโดยเหตุมันมีเหตุให้เกิดแล้วเนี่ยไปบังคับเราก็ต้องมาแก้ที่เหตุเหมือนกันเหตุที่จะไม่เผลอทําไงก็คือตัวรู้สึกตัวเดี๋ยวตัวนั้นมันก็เหมือนกับเร า, าไปสู่ที่มืดกลางคืนเนี่ยเราจะขจัดเราต้องการที่แสงสว่าง เ, เราไม่จะไปไล่ความมืด เราไม่มีหน้าที่บังคับความมืดไปกดความมืดไปจัดการความมืดเนี่ยไม่ถูกเพราะทำเหตุไม่ถู ก, เ, ถกเราก็ต้องหาว่าไอ้ตรงข้ามกับความมืดมันคืออะไรคือแสงสว่างต้องหาแสงสว่างท่านเองนะจะหาสวิตบ้างาไปใช้บา้างแล้วแต่เราจะมีอุปกรณ์ อ, อะไรไม่ขีดบ้างเทียนบ้าง น, นะเราหาตรหน้าให้เจอก่อนเมื่อหาแสงสว่างเจอความมืดมันก็ถูกกาจัด โดยปริยายเหมือนกันเมื่อความคิดความปรุงแต่งมันเหมือนอควา ม, มืดมันเข้ามาแล้วมันต้องไม่ต้องไปหาวิธีการที่จะจัดการกับมันไงแต่หาว่าเหตุตุงกระข้ามไอตัวคิดนัคืออะไรก็คือตัวรู้ตัวรู้ที่ถูกต้องแล้วความไม่คิดมันก็ปรากฏขึ้นมาก็ทําอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าสัมมาวาย า, ามะอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือรู้ทัน รู้ทันแล้วรู้จักจัดการให้ถูกอันที่สามเมื่อจัดการถูกบ่อยๆรู้ว่าเหตุที่จัดการในตัวคิดเนี่ยเราทําอย่างไรก็พยายามทําอันนั้นบ่อยๆทําความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นการจัดการตัวที่สามเมื่อความรู้สึกตัวทั่วไปมันเกิดบ่อยๆมันก็ทําให้มันมั่นคงขึ้นรักษาให้มันคงขึ้นแค่นี้แหละแต่เนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นให้ยั่งอยู่ มันก็จะต้องเอาตัวส ม, มาวายามะเข้ามาใช้บ่อยๆไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วมันจะบางทีเอาความคิดเรื่องนั้นมาเราเอาส ม, มาวณนะมาเข้ามาใช้อ่าแก้ไขได้พักหนึ่งอสักพักหนึ่งความคิดเรื่องนั้นมาอีกแล้วก็สมาวายามะไม่ใช่นำมาระวังไม่ให้เกิดเมืเ่อเผลอเกิดจะจัดการทันทีนีแล้วก็ทําเหตุของตัวที่จะเข้าไปแก้ไข ความคิดเนี่ยให้มันต่อเนื่องเราวกรักษาให้มันคมที่ท่านใช้คําว่าสังวรประธานประหานประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานนั่นแหละมันมาด้วยกันขบวนการของสถิประธานสีเนี่ยสถิตประธานสีตามด้วยสัมปทานสี่ทีเดียวก็คือตัวนี้นะคือความเพียรแล้วก็ทําบ่อยๆทําอยู่ต่อเนื่องประจำประจําก็เลิกใช้อธิบายสี่ เมื่อใช่ทธิบาสีได้ถูกต้องปั๊บอินทรีย์ของเรามันก็กลายเป็นพลังมันก็มีกําลังขึ้นเราเห็นผลศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นความเพียรเราก็เพิ่มขึ้นสติสัมถิปัญญามันก็เพิ่มขึ้นก็เป็นพลังเป็นกําลัง อ, อินทรีย์าพละงหมันก็จะไปรู้เรื่องของโพชฌงเจ็อริมบุเ8ตามระดับของมันเองอยู่ในนี่แหละทำที่ฝักฝายที่เราจะไป รู้เรื่องตัวเองมันไม่ได้มามากหรอกแม้ว่าไตรปิดกจะมี 84% 0 0มื่นสี่พันพรนแต่เรื่องที่เราจะไปรู้เรื่องนี้เป็นใบไม้กระมือเดียวแค่ผู้ที่พระเฮียรำรมท7ประการนั้นว่าแต่เราก็ ไ, ไปไต้องไปเรียงรู้ตามลำดับป ร, รประการนั้นประการนี้หรอกคือว่ากำหนดความรู้สึกตัวโทพร้อมอด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ตั้งใจให้อยู่กจุบันให้ถูกต้อง มีปัญหาขึ้นมาอะไรคือตัวเหตุของปัญหาอะไรคือตัวเหตุของการแก้ปัญหาก็ศึกษาให้ดีแล้วก็ลองใช้ดูนะตอนแรกนี่ให้ใช้กับกายซะก่อนเพราะกายเป็นส่วนเหยื่ออยากอนนเมื่อส่วนกลายเป็นส่วนเหยื่ออยากมันก็มันก็แก้ไขได้ง่ายมันก็เห็นได้ง่ายให้มีประสบการณ์จากกายไปซะก่อนดังนั้นในวิธีการของหลวงพ่อเรียนท่านเน้นกายก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องอารมณ์วิปัสนา เราไม่ต้องไปคิดว่าโอล่างกายเือเบื้องต้นเราปฏิบัติมานานแล้วไม่ต้องไปเริ่มกายเริ่มใจเลยทีเดียวนี่อันนี้มันจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะถ้าอารมณ์รูปนามของตัวเองไม่ชัดเนี่ยถ้าไปเริ่มดูใจเลยเนี่ยมันมีปัญหาทีหลังเพราะใจนี่เขาเติบโตเขาทำงานมาแม้แต่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจมันก็ไปทางานต่ออีกนะภพชาติอื่นมันทำงานมาตลอดเวลา นันจู่ๆไปเล่นงานเขาเลยไม่ได้เพราะเขาเป็นเจ้าของไปเขาเป็นเจ้าของภบชาติมาตลอดเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกับเด็กที่เรียนหนังสือใหม่ๆมไอการที่จะอ่านเขียนคล่องแคล่วเป็นไปไม่ไดไ้ก็เริ่มไปจากกอไขกไไขนี่แหละเริ่มอย่างอดทนไปสามปีสี่ปีห้าปีเจ็ดปีมันถึงจะอ่านออกเขียนได้มงกที แต่การเข้าไปดูใจเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่อ่านออกเขียนได้แล้วเนี่ยก็ถึงจะทำได้แต่ถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในเรื่องจิตดูตัวเองดูจิตยังไม่ออกดูตัวเองยังไม่ออกบอกตัวเองยังไม่ได้ใช้ตัวเองยังไม่เป็นเห็นตัวเองยังไม่ชัดจัดตัวเองยังไม่ถูกมันก็ยากในการที่จะไปดูใจนะเบื้องแรกต้องจัดเรื่องกายให้เป็นซะก่อ น, อนในส่วนกาย หมายความว่าให้ความสาคัญทางกายนี่ 70% ให้ความสําคัญทางจิตแสามสิก่อนเบื้องต้นนี่นะถ้ า, าลารมณุ่มรำยังไม่ชัดมาเริ่มที่กายเสมอเพะนั้นในวิธีการหลวงพ่เทียนท่านจึงเริ่มด้วยการเคลื่อนไหวอาเกายที่เรียบยากหน่อยกายละเอียดท่านก็ไม่เอาอย่างลมหายใจเนี่ยเป็นกายละเอียดเวทนานี่ก็เป็นกายละเอียดกําหนดยา ก, กเอามากายยากคือใช้มือบ้างใช้เท้าบ้าง ใช่รีบทขึ้นไหวยืนเดินนั่งนอนบ้างดีบดย่อยบ้างหาประสบการณ์จากของง่ายๆนี่ซะก่อนภาพตาอาปากหายใจเรีวซ้ายแลงขวาเนี่ยรู้ทันไหมฝึกด้วยสติสัมยะกับไออาการง่ายๆนี่ซะก่อนเมื่อเราเริ่มรู้สติสัมยาเริ่มมีรู้จักว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราเดินนะแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราเดินรู้สึกว่าเทา้าสัมผัส รู้สึกว่าเราได้ยกได้ย่างสัมผัสได้นี่เขาเรียกว่าเอากายเป็นสนามเพาะสนามฝึกซะก่อนเมื่อก่อนพับตาอ้าปากนี่ก็ไม่ค่ยรู้สึกไม่รู้เลยทีเดียวหละตลอดชีวิตเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้พับตาเริ่มรู้ชัดอ้าปากเริ่มรู้ชัดเมื่อก่อนหายใจมันก็จะไปชัดตอนที่เราไปนั่งสมาธิแต่อาการปกติที่อยู่ปกติธรรมดาแทบจะสัม ผ, สมผัสมันไม่ได้เลย ร่ามีลมหายใจอยู่แต่ว่าไม่ค่อยสัมผัสมันจะชัดหรอกอะหายใจเข้าแค่ไหนหายใจออกสั้นเท่าไหร่หายใจเข้ายาวเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดหรอกแต่พอเริ่มได้สติสมญญานเนี่ยมันเริ่มชัดนะเริ่มชัดเห็นไหมถ้าหาคนเราไม่ใช่ไม่ใช้กายเป็นฐานเนี่ยยากเพราะฉะนั้นท่านจึงเอาหมดต้นขึ้นม า, นมากายยานุปัสสนาเป็นหมดต้นทีเดียวแเราเริ่มตัวนี้ให้คล่องซะก่อนนะ เริ่มดูกายให้คล่องชัดแล้วทีนี้มันก็ใช้จิตนั่นแหละแต่จิตให้มาเกี่ยวข้องกับกายมากกว่าใช้นามเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับกายถึงเรียกว่าอารมณ์รูปนามไง น, นะเสร็จแล้วเวลาจิตของเราเริ่มมี <c oughs> ประสบการณ์มีทักษะหรือตามภาษากรรมฐานคือเราวิวัฒน์สีคือมีความชำ น, นิชำนาญตามภาษาข้างนอกกายว่าทักษะฮะ ภาษาอังกฤษถึงใช้ว่าสกิลนะ <c oughs> เริ่มมีความแห้วคล่องว่องไวขึ้นในการรู้กายทันนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทันตอนที่เราตั้งใจเท่านั้นนะแม้ที่เราไม่ตั้งใจก็รู้ทันนะในเรื่องของกายนี่นะถ้าหากว่าเราจะมารู้ทันตรงที่เราตั้งใจเท่านั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นอันร่วงรูปนามแบบสัญญาคอและลึกเอา อย่างไว้ใจไม่ได้มันมีโอกาสหลงลืมเพรา ะ, ะนั้นแม้กระทั่งว่าเราไม่กาหนดก็รู้ไม่กาหนดก็รู้ทันตัวเนี้ยต้องพัฒนาอารมณ์รูปนามให้เป็นว่าไม่ต้องตั้งใจกาหนดรูนะ้เราเผลอล้วก็รู้เราไม่เผลอล้วก็รู้เราคิดแล้วก็รู้มันรู้ข้ามันเองตัวนี้เขาเรอารมณ์รูปนามที่พัฒนาขึ้นสูงไปไมันจะเป็นอย่างนั้น แต่ก็มีหลงไปบ้างแต่มันก็ไม่ยาวคิดปรุงแต่งไปสักพักหนึ่งเพ้อไปสักพักนึงเอารู่ทานออกลับมาแล้วละนะี่นั้นอารมณ์รูปนามเนี่ยจะไปจัดการกับความคิดปรุงแต่งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่ไม่ได้แต่ว่าช่วงระยะรู้เนี่ยมันถี่ขึ้นช่วงระยะรู้โดยสัญญามันยังห่างอยู่ช่วงระยะโดยรู้รูปนามที่คันละเอียด ขึ้นไปตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็เรีกวถีขึ้นสมัยที่เราไม่จอบรูปนามเลยเนี่ยอย่าว่าถีอย่าว่าห่างเลยบางทีคิดทั้งวันยังไม่รู้สึกเลยนะหรือเดินทั้งวันยังไม่รู้สึกว่าเดินเลยไปกับความคิดหมดคนที่ยังไม่รู้จักรูปนามนก็อยู่ในอาการของไม่รู้ตลอดที่เรียกว่ า, าวิชานะขณะอารมณ์รูปนามเบื้องต้นเนี่ยระหว่างวิชาอวิชามันเริ่มสลับเกินเกินละเดี๋ยว วิชาเผลอไปบ้งางหอวิชามารู้ตัวบางทีวิชากินช่วงยา ว, วิชามาแล้วนะเพราะฉะนั้นรูปนามโดยสัญญาเนี่ยอาการของตัวไม่รู้สึกอาการเผลอเนี่ยมันกินช่วงยาวอยู่รู้สึกตัวเป็นช่วงชั้นสั้นนะทีนี้เราก็ใช้ความเพียรช่วยดิเพียรรู้สึกบ่อยๆเตืนจุภูมบ่อยๆสร้างจังหวะบ่อยๆกาหนดรูบ่อยๆ ไอ้ตัวรู้สึกตัวมันก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นความรู้สึกระลึ ก, ลกได้มีอะไรเกิดก็มีความถีมนะมมถ่มากขึ้นนะมีความถี่มากขึ้นเพราะฉะเราเห็นว่าอันนี้มันมีหลักเกณฑ์เหตุผลที่เป็นไปตามรำที่พิสูจน์ได้นะไม่ใช่ว่าทำไปทำมาแล้วมันเป็นเองไม่ใช่นะความจริงแล้วหลักของพุทธธรรมก็คือหลักวิทยาศาสตร์ทางนมามธรรมนั่นเองที่พุทธเจ้าไดสรู้อนะ่า เราก็ใช้ขบวนการเดียวกันกับไ อ, ไ อ, ไอวิาาทยาศาสตร์ทางลูกปธรรมนี่แหละเข้าไปแต่ที่นักวิาาทยาศาสตร์ทางลูกปธรรมเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาวิปัสนาเขาก็เลยไม่รู้วิาาทยาศาสตร์ทางนางมประธรรมกำจัดทุกกําจัดกิเลสไม่ได้นะนั้นเองในเบื้องต้นเนี่ยทาความเข้าใจตรงนี้ชัดชัดนะไม่ต้องกลัวเสียเวลาปฏิบัติมากี่ปีกี่ปีเราคิดถือว่าเราปฏิบัติมาม า, มากแล้วเนี่ย ไม่ต้องเอาก็ได้กายานุปนัสนาอันนี้ผิดพลาดมากเลยาจะปฏิบัติมาในวิธีไหนก็ตามต้องมาเริ่มจุดนี้ให้ถูกก่อนโดยเฉพาะกายานุปัสนาในวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยบางทีต่างจากกายานุปัสนาในวิธีอื่นนะอันนี้ลองศึกษาดูกายานุปัสนาในวิธีการขอวงพ่อเทียเนี่ยถือเอ า, อากายส่วนหยาบก่อนกายส่วนละเอียดเรารู้ ไม่ทันไม่เข้มแข็งไว้รู้ทีหลังเน่ยลมลมหายใจเนี่ยไว้รู้ทีหลังก็ได้เมื่อสติมันละเอียดขึ้นตอนแรกๆมันรู้กายยาบคือเรื่องเรื่องไอเดียบทใหญ่หรือบทย่อยรู้อยากอยามีก่อนเมื่อกําลังสติสมาธิมันดีขึ้นแล้วก็ไปรู้กายส่วนละเอียดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจผ้าตาปากหรือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่ ง, งตึงซึ่งเป็นกายละเอียดเราจะไปรู้ชัดเจนทันทีไม่ได้ จนกว่าเราจะมารูส่วนกายหยาบนีให้มันชัดก่อนแล้วก็จะเรียนรู้เข้าไปตามลาดับนะเรียนรู้เข้าไปตามลาดับดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาศัยลูกขยันเขาไว้นะลูกขยันเขาไว้ผิดบ้างถูกบ้างขออยนันไว้ก่อนแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากเพื่อนกริยาณมิตรเราก็เริ่มปรับให้ถูกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อปรับได้ถูกมากขึ้นเราก็สัมผัสผ ล, ผลมันได้ชัดเมื่อสัมผัสผ ล, ผลได้ชัด ศรัทธานก็เพิ่มขึ้นกำลังศรัทธาก็เพิ่มขึ้นกำลังความเพียรก็เพิ่มขึ้นกำลังสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นนี่นี่คือเบื้องต้นจริงๆนะแล้วเราก็จะง่ายในการปฏิบัติดังนั้นสำหรับชาวบ้านะ่ะที่ไม่มีเวลามานั่งทำความเพียรหรือนั่งเจริญสติสมาธิแบบนี้จะมีโอกาสบ้างไหมมีมีโอกาสแต่ก็มีข้อแม้ ทุกอย่างไม่ได้ได้มาง่ายๆหรือของดีๆอ่ะมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกมันก็ต้องยากไปตามความดีของมันแหละอันไหนดีมากก็ยากมากอันไหนดีน้อยก็ยากน้อยอันไหนดีสูงสุดมันก็ยากสูงสุดนั่นแหละตามหลักของเหตุของผลนะอันไหนที่มันง่ายมันก็อ่าก็ทําง่ายไม่ยากเพราะฉะนั้นในแง่ของการศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ายากเพราะอะไร เพราะเรามั่ง่ายมานานไงมั่ง่ายมานานก็จะมาทําให้มันมักยากบางก็ทํายากละทีนี้คือมักง่ายยังไงมักง่ายคือการส่งจิตออกเนี่ยมันง่ายเห็นปั๊บมันก็ไปแล้วนู่นแล้วได้ยินปั๊บมันก็ไปแล้วออกทันทีเพราะจิตเราออกมานานมันออกไปง่ายเหมือนกับสัตว์บ้านอะเวลามันหลงไปอยู่ในป่าแล้วนะเป็นไก่ป่าเป็นหมาป่า ไอ้การจะดึงมันกลับมาอยู่บ้านอีกเป็นเรื่องอยากแล้วทีนี้เหมือนกับจิตเมื่อก่อนสมัยเป็นเด็กๆนะี่จิตกับกายอยู่ด้วยกันนะพอโตขึ้นโตขึ้นจิตเริ่มออกไปออกไปหางออกไปห่างออกไปจากสัตว์บ้านวก็กลายเป็นสัตว์ป่าแล้วทีนี้จะดึงสัตว์ป่ากลับมาเป็นสัตว์บ้านอีกทีนี้โอ้เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยต้องใช้อุบายวิธีต้องใช้วิธีการมากมายแต่ก็ทําได้ทําได้สําเร็จถ้าหากว่าพยายามนะ แต่ถ้าไม่พยายามก็ไม้สําเร็จเหมือนกันเพราะจิตของเราเนี่ยที่มันเข้าลบเข้าปรุงไปในรลมๆกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นป่าเป็นเถื่นไปเรื่อยๆความเป็นป่าเป็นเถื่อนมันก็สร้างทุกข์สร้างปัญหาสร้างความไม่สบายให้แก่ตนเองและผู้อื่นอยู่ประจำแล้ดังนั้น ว, วิธีการที่จะคล้องกลับมาฝึกเนี่ยเหมือนการคล้องช้างเหมือนการจับเสือเหมือนการจับสัตว์ที่มันปลาดเปียวดุร้ายเนี่ย ไม่จิมจุ่มไปจับไม่ได้ต้องมีวิธีจับนะวิธีจับทําไงในสมัยนี้มันพัฒนาเทคโนโลยีม พ, พัฒนาอย่างจะจับช้างสักตัวเนี่ยไม่ต้องไปตั้งพะเนียกไม่ต้องไปตั้งแคมตั้งค่ายจับก็เป็นเดือนๆปีปปแล้วมันพัฒนาสมัยใหม่ทําไงมันก็ไอ้สูนก็สุนอาบเรื่ยาสลบที่ยิงโป๊ะเดียวช้างก็ล้มทั้งตัวเลยเพราะหมดฤทธิ์ยาสลบ มันก็จับช้างได้แล้วเห็นไหมเทคโนโลยีทําวัตถุมันก็พัฒนามันกันนะว่จับเสือเนี่ยไม่ต้องไปล้อมป่าจับกันแล้วเข้าไปเข้าไปก็ใช้กระสุนอาบน้ํายาไม่ให้มันตายอะ่ะโป๊ะเดียวมันก็สรุปล้ะจับเสือมาได้เนี่ยมันง่ายเทคโนโลยีเหมือนกันนะวิปัสนาเราก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะ เมื่อก่อนเนี่ยโอ้เข้าป่าเข้าดุงทรมานกายทรมานจิตกันทั้งชีวิตอ่ะกว่าจะบรรลุทําได้นะพอบรรลุทําได้แล้วบางทีไม่มีโอกาสได้สอนเลยหรือมีโอกาสได้สอนบางทนิดหน่อยท่นก็ไปแล้วเห็นไหมสมัยก่อนช้าแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีทางด้านวิปัสสนามันสูงขึ้นอเรามีวิธีรัดมากขึ้นที่หลวงพ่อเทียนรัดนิ้มือเดียวเนี่ยนะ แต่ว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีนะเหมือนกับถ้าใช้กระสุนลูกเดียวจับเสือได้เนะี่ยมันไม่ใช่เอาง่ายๆเหมือนกันกูจะได้ปืนมากูจะได้กระสุนมากูจะได้วิธีการที่จะ ย, ยิงแล้วไม่ตายยิงแล้วไม่บาดเจ็บปลอดภัยเนี่ยทำไงเนี่ยต้องใช้วิธีการอันนี้แล้วแต่ละคนจะนึกวิธีออกแหละนะแต่ท่านก็วางหลักเอาไว้นะเออต้องรู้รูปนามก่อนนะเสร็จแล้วมนรู้ว่านามรูปนี่แต่วิธียิงจิตอะ ทำไงฮะยิงจิต ท, ที่มันกําลังปรุงแต่งกําลังบ้าคลั่งอยู่เนี่ยยิงทีเดียวมันสลบปเลยมันก็ยิงเสือทําไงเราก็ต้องมาสร้างตัวรู้สึกสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้เป็นกระสุนอาบยาพิษให้ได้นี่อันนั้นก็คือมาสร้างตัวสมาธิเป็นเหมือนปืนนะสติเป็นเหมือนไก่ปืนปัญญาเหมือนกระสุนปืนอ่ะได้คนยิงไง ตัวสัมปชัญญะเป็นคนยิงเราก็ใช้สติสมรยสมัมมทิปัญญาสี่ชุดนี่แหละเป็นตัวที่จะยิงจิตให้อยู่เราจะจัดการจะได้จะยิงอย่างไรก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความเพียรและวทีนี้ดังนั้นความเจริญทางด้านวิปั ส, สนาที่เป็นเทคโนโลยีทำให้ไวขึ้นเราสามารถบรรลุธรรมโดยไวขึ้น แล้วก็ใช้ธรรมะไปเผยแพร่ได้ไววขึ้นนะไม่ต้องอาศัยเวลาขึ้นขอนชีวิตเหมือนกับสมัยก่อนแล้วดังนั้นอันนี้มันเป็นความสมดุลของโลกนะเมื่อโลกมันทุกมันมีเทคโนโลยีในการพัฒนาตัวมันเองการดับทุกข์ก็ต้องมีเทคโนโลยีในการพัฒนาตัวมันเองมันเป็นธรรมชาติที่มันสร้างมาสมดุลอย่างนั้นแต่ประการสําคัญว่าเราจะพบเทคนิคพบวิธีการไหมเนี่ย ตรงนี้แหละเหตุปัจจัยสําคัญพบกิริยานะิมิตผู้รู้จริงไหมพบวิธีการที่ถูกต้องไหมแล้วพิการที่เราพิสูจน์ได้ไหมเนี่ยต้องสแสวงหากันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่เป็นเรื่องต้องพิสูจน์ด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมัมปชัญญะต้องพิสูจน์เพราะพระพุทธเจ้าธรรมะได้สอนให้เชื่ออะไรในง่ายๆแต่ท่านสอนให้พิสูจน์ ให้เห็นด้วยปัญญาของตัวเองเมื่อพิสูจน์ให้เห็นด้วยปัญญาของตัวเองแล้วนี่โอ้มันจะทุ่มเทศรัทธาความเพียรเต็มที่แหละไม่ต้องมีใครมาบังคับกับกินแล้วหรอกแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่พิสูจน์เห็นด้วยตัวเองนะใครจะมาว่าดีขนาดไหนภาวนาถึงกุนะภาพมันดีขนาดไหนเราก็ยังไม่เห็นด้วยตัวเองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็หลงตรงนี้แหละือเชื่อไปก่อนไปกรรม หลังมางทีมก็หลงไปไกลปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดแต่เบื้องต้นเนี่ยให้เราฝึกฝนพิสูจน์ให้เห็นเะก่อนว่าไอการเดินจงกรมสร้างจังหวะทําให้เกิดสติมันเกิดได้อย่างไรไอเดินจงกรมสร้างจังหะให้เกิดความรู้สึกตัวมันเกิดได้อย่างไรฝึกพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้ใชก่อนนะให้เห็นความต่างว่าไอการขาดสติกับการมีสติต่างกันอย่างไรไอสติกับลมหายใจกับเวทีการเคลื่อนไหวมัน ตางกัอย่างไรต้องพิสูจน์พอเห็นชัดแจ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาแล้วมันก็เพิ่มความเพียรเพิ่มศรัทธาโดยอัตโนมัติแหละนี่เขาเรียกพรารมณนะอินทรีย์พรารมเกิดขึ้นดังนั้นเองในวิธีการนี้จึงต้องทําอย่างพิสูจนะ์เป็นนักวิทยาศาสตร์ปนในตัวนะเผมก็บธรมาก็ทํามาอย่างนี้ ถึงตอนแรกๆมันก็ถูกบ้างผิดบ้างหลงบ้างไปงั้นแหละธรรมดาของมันพอเมื่อมีความหลงมีความทุกข์เกิดขึ้นเป็นตัวที่เราทําผิดเนี่ยเราก็ต้องไม่ท้อต้องกลับไปทบทวนใหม่ตั้งต้นมาอยู่เสมอหลายครั้งพันหนเหมือนครั้งแสนหนก็ช่างมันขอให้มันถูกต้องก็แล้วกันแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีศรัทธาเข้มแข็งเนี่ยพอผิดพลาดบ่อยๆทุกบ่อยๆชักท้อแล้วไม่เอาแล้ว อย่างนี้ก็ยากในการที่จะเข้าถึงสจธรรมนะดังนั้นเบื้องต้นที่สุดขอให้มีศรัทธาไว้ก่อนก็แล้วกันนะมีศรัทธาและพยายามไปพิสูจน์มีศรัทธาที่จะพิสูจน์แต่ถ้าไม่มีศรัทธาใครจะสอนดีใครจะพูดดีใครจะทาดีขนาไหนไม่เอาอันนี้ยากอยู่นะยังไงคือลองลองเชื่อลองทําดูก่อนแล้วค่อยพิสูจน์ใช้ปัญญาของเราเองพิสูจน์ไปเรื่อยๆ พิสูจน์แล้วมันเห็นไม่เห็นก็ต้องมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์เป็นฝ่ายช่วยเราไปนี่อันนี้ก็เป็นความสําคัญของกัลยาณมิตรเป็นความสําคัญของอาสายธรรมเป็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะฮะในช่วงเช้าวันนี้เราก็แนะนําสําหรับผู้ที่มาใหม่นะให้เข้าใจหลายๆรอบหลายๆครั้งเดี๋ยวมันค่อยชำนิชนานาญเองเดี๋ยวเข้าใจเอง แล้วจะเห็นว่าทางไปสู่มรรคผลไม่ยากเลยถ้าเราทําด้วยความเข้าใจแต่ทําด้วยความไม่เข้าใจเนอะมันแทบจะไม่มีโอกาสเลยทีเดียวแหละบางคนก็ทอ้อว่าโอผมไม่มีภาสนาบารมีที่จะไปถึงลเอาแค่นี้ก็พออันนี้เขาจะไม่ถูกทุกคนการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีสติสัมยะครบพร้อมอย่างนี้ถือว่าาสนาดีที่สุดแล้วนะคนที่เขาไม่มีศรัทธาสติสัมยาไม่ สมประกอบร่างกายไม่สมประกอบเยอะแยะไอ้เราเนี่มีพร้อมในศรัทธาก็มีปัญญาก็มีสมติสมญาก็สมบูรณ์องค์ประกอบระยะทุกส่วนร่างกายก็ครบถ้วนอ่ามิปรผลจิตพิกลพิการเราก็ไม่มีนะก็ถือว่าโชคดีวาสนาดีที่สุดแล้วเราก็ต้องขวนไคว่ในการที่จะทําให้มันถูกเท่านาเองนะเส้นถางแห่งมรรคผลก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ไม่ใชเป็นไปไม่ได้เมื่อเราสัมผัสถูกต้องมากเท่าไหร่ใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้บอกเราใครเป็นผู้ตัดสินเราเองนั่นแหล ะ, ะเราสัมผัสความถูกต้องมากขึ้นความสะดวกความสบายมันเกิดขึ้นในใจของเราความเยือกเย็นความสงบจะเกิดขึ้นในใจของเราตอนแรกๆมันถูกน้อยมันก็ยังทุกข์มากอยู่พอทำมันนานๆเข้ามันถูกมากขึ้นทุกข์มันก็ลดลงเป็นตัวปรับ ก, ก็ปนในตัว พลังมีความทุกข์ความสงสัยมีความาฟุ้งซ่นหมกหิ ด, ดมีความงงงาบห้องนอนมีความสงสัยขี้เกียจอยู่นะั่นก็ถือว่าเป็นตัวที่เราจะต้องพิสูจน์ลดให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆแต่อ5ตัวนี้มันยังเข้มขน้นเข้มแข็งอยู่เนี่ยเราก็ยังทําผิดอยู่เราก็ต้องพิสูจน์แก้ไขไปเรื่อยๆให้มันถูกมากขึ้นมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนหรอกโดยมโนุษย์ทำสามัญสํา น, นึกมันจะบอกเขวเองอเขาเรียกว่าจิต ที่บริสุทธิ์จิตที่มันเป็นเลียงสาเนี่ยรู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนไม่จช่เป็นต้องสอนในเรื่องนี้ก็ได้มันมีอยู่แล้วจิตเดิมแท้เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วถ้าจึงเลือกจิตประเภทนี้ว่าเป็นจิตโพธิจิตไงโพธิจิตหรือพุทธจิตมีอยู่แล้วทุกคน <S <S แล้วก็อาศัยโพธิจิตหรือพุทธจิตเนี่ยเป็นมเมล็ดเป็นหน่อเป็นเนื้อที่พัฒนาขึ้นไปนะดังนั้นเอง ในวันนี้เป็นวันธรรมสวรรนะนะช่วงแรกช่วงเช้าเนี่ยเราฟังกันแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ช่วงใช้สายท า, านข้าวทานน้ำรับอาหารเช้าเสร็จแล้วก็แล้วก็มารวมกันนะสำหรับสําหรับพระเราก็ไปทําหน้าที่อ่อื่ น, นได้โยมที่มาใหม่เนี่ก็เข้ามารวมกับตรงนี้เดี๋ยวจะได้พาสาธิตพาปฏิบัติไปตามลำดับ ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทุหลายที่เดินทางมาไกลแต่ว่าก็มีความตั้งใจสูงความตั้งใจนี้เป็นเพราะปัจจัยให้เข้าถึงความถูกต้องด้วยการทุกคนทุกท่านเธอ